ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังกะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่ยี่สิบสี่สีมาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของสีมาต่อ ก็แลสงจกสมมติสีมาด้วยนิมิตแปดอย่างนี้ไม่คละกันก็ดีคละฉลับกันก็ดีควรทั้งนั้นสีมานั้นที่สมมติผูกอย่างนั้นไม่เป็นอันผูกด้วยนิมิตเดียวหรือสองนิมิตส่วนสีมาที่ผูกด้วยนิมิตมีประการดังกล่าวแล้วตั้งแต่สามขึ้นไปจนถึงร้อยนิมิตย่อมเป็นอันผูกก็คือจะใช้นิมิต ลูกเดียวหรือว่าสองลูกหรือว่าที่เดียวสองที่ไม่ได้ต้องสามที่ขึ้นไปก็ว่าจะได้มีบริเวณของสีมานะสีมานั้นที่ผูกด้วยนิมิตสามมีสันฐานดังกระจับที่ผูกด้วยนิมิตสี่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีสันฐานดังกระจับพระจันทร์ครึ่งดวงและตะโพนเป็นต้นบ้างที่ผูกด้วยนิมิตมากกว่านั้นมีสันฐานต่างๆกันบ้างการพักนิมิตแล้วสมมุติ ตามในที่กล่าวแล้วอย่างนี้พึ่งทราบว่าสีมาที่ประกอบด้วยนิมิตสมบัติอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะสีมาที่จะเป็นสมบัตินั้นมีสามอย่างก็ได้แก่นิมิตสมบัติก็คือทักนิมิตแล้วก็นิมิตก็เข้าถูกลักษณะก็คือแปดอย่างตามที่กล่าวแล้วมีภูเขาก้อนหินปา่าต้นไม้จอมปลวกหนทางแม่น้ําแล้วก็น้ําเป็นต้นเนี่ยนะ อันที่สองก็ปริษัทสมบัติแล้วอานที่สาก็กรรมวาจาสมบัติจะต้องถูกต้องสมบัติก็หมายถึงความถึงพร้อมก็คือความถูกต้องนั่นเองนิมิตถูกต้องบริษัทถูกต้องแล้วก็กรรมวาจาถูกต้องสีมาที่ชื่อว่าประกอบด้วยบริษัทสมบัติได้แก่สีมาที่พิสูจน์สี่รูปโดยกำหนดอย่างต่ําที่สุดประชุมกันแล้วกระทํามิสูจทั้งหลายที่อยู่ในธารมาเขตนั้นมีจํานวนเท่าใดที่ไม่ได้อยู่ในพัตตสีมา แม่น้ำสมุดและชาติตะหรือทําี่ตุทั้งหมดในคามาเขตนั้นไว้ในหัตตบาหรือให้นําฉันทะของพิ่พุผู้อยู่ในคามาเขตเหล่านั้นมาแล้วจึงสมมุติพัฒนสีมาถ้าจะผูกสีมาใหม่แล้วว่าในหมู่บ้านนั้นมีวัดอยู่กี่วัดก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในพัฒนสีมาของวัดตนเองจะต้องมาเข้าหัตตาบา และพิตุกที่อยู่ในคามาเขตนั้นยังไม่มีสีมาในวัดของตัวเองก็ต้องมาเข้าหัตถบานด้วยไม่เช่นนั้นก็จะต้องนำฉันทะมาให้ฉันทะในการผูกสีมานั้นก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าต้องให้ฉันทะหรือว่าถ้ามีวัดอยู่ก็เข้าไปอยู่ในพักสีมาของตนก็ไม่ต้องมาก็ได้แต่ถ้าไม่อยู่ในภักสีมาก็ทำกรรมให้เสียได้ต่อไปสีมาที่ชื่อว่าประกอบด้วยกรรมวาจาสมบัติ ได้แก่สีมาที่สมมุติด้วยยัคติทุติยะกรรมวาจาอันบริสุทธิ์ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าสุมาตุเมผันเตสังโฆยาวตาสมันตานิมิตากิติตายาดิสังคะสะปตะกัลังสังโฆเอเตหินิมิเตหิสีมังสมันเนียสมานาสังวาสังเอกุโปสัตังเอสายติ ตมาตุเมผันเตสังโฆยาวตาสมันตานิมิตาคิติตาสังโฆเอตหินิมิเตหิซิมังสัมมนติสมานสังวาสังเอกุังยาซายตมตุธมติเอเตหินิมิเตหิซิมายสัมมติสมานสังวาซายาเอกุสายโสตุัสายาสานคขมติโสพาเยา สั ม, มตาสีมาสังเขนเอเตหินิมิเตเหหิสมาณังวาสะเอกุปโปโสธาขมาติสังขาสัตตัสมาตุนีเอวะเมตังธารยามิในเวลาจบกรรมวาจาสีมาย่อมอยู่ภายในแห่งนิมิตทั้งหลายนิมิตทั้งหลายย่อมอยู่ภายนอกสีมาอันนี้ก็เป็นการสวดสมมุติเป็นการผูก สีมาด้วยกรรมวาจาเมื่อผูกพัิสีมาอย่างนี้แล้วพึงกระทำอวิปะวาสะสมุติเพื่ออยู่สบายแห่งการอยู่ปราศจากไตรชีวอนและเพื่อทำให้กรรมมั่นคงก็คือการสวดยติธุริยกรรมวาจาโดยที่เป็นอวิปะวาสะสมุติก็เพื่อที่จะให้สีมานั้นอนะ เป็นเขตที่ไม่อยู่ปราศจากตรจีวรคือจะวางตรจีวรไว้ในที่ไหนก็ได้ถ้าอยู่ในศีมานั้นเมื่อมีการสวดอวิปะวาสมมติแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องเอาตราจีวรมาไว้กับตัวอยู่ในเินตาบากถ้าศีมามีบริเวณสักสองกิโลก็สามารถที่จะเอาไว้ตรงไหนก็ได้อวิปปวาศสาสมมุตินั้นอันพิกโุพึงทำอย่างนี้ว่า สุมาตุเมผันเตสังโฆยาสาสังเขนาสีมาสัมมาตาสมะนาสังวาสเอกุปสัตธายาดิสังขาสะปตะกัลลังสังโฆตังสีมังติจิวเรนะอวิปวาสังสัมมันยะทเปตวะกามัญจามูปจาัจาเอสาติสุมาตเมผันเตสังโฆ ยาซาสังเขนสีมาสมัตตาสมานาสังวาสเอกุปสัตถาสังโฆต s งสีมารติจิวเรนาวิปปวาสังสัมมันติทเปตตวากามัญจามูปจารันจายาซายาสมัตโตขมติเอติซาสีมายาติจิวเรนาวิปวาซายาสัมมุติทเปตตวากามัญจามูปจารันจาโสตุ a ห a s าย a สาน m มติ โสพาสยะสมมติซาสีมาสังเถนะติจิวเรนะอวิปวะซาทพเปตตวากามัญจามูปจารันจะคามติสังขษาตัสมาตุนหีเอวเมตานทารยาภิก็อนในคำว่าทพเปตตวากมัญจามูปจารันจะนี้บัณฑิตพึงทราบว่า สงเคราะห์แม้ซึ่งนิคมและนครด้วยคําว่าบ้านนั่นเองคําว่าอุปจาระบ้านคือเครื่องล้อมแห่งบ้านที่ล้อมโอกาสที่ควรล้อมแห่งบ้านที่ไม่ได้ล้อมก็คือเลตุบาทเดียวเพราะสองเลตุบาทหมายถึงป่าแต่ว่าไอ้ที่ควรล้อมนั่นนหะออกมาจากบ้านนั้นแนหะเลตุบาทหนึ่งถ้ากว้างไปอีกเลตุบาทหนึ่งก็เป็นป่าเขตป่าก็คือสองเลตุบาท จากบ้านทิกสุผู้ทรงตรจีวร อ, อธิษฐานย่อมไม่ได้การบริหารในบ้านและอุปจาระบ้านเหล่านี้ก็คือเวน้นจึงอยู่อาวิปวาสัสีมานี้ย่อมไม่ครอบคลุมไปถึงบ้านและอุปจาระบ้านเพราะพระผู้มี พ, พระพาเจารัดไว้ว่าเว้นบ้านและอุปจาระบ้านสัมมาณสังวาสสีมาเท่านั้นย่อมครอบถึง สมาสังวาสีมานี้ก็ไปสมมติในบ้านนั่นก็ตดยแต่ว่าถ้าเป็นอวิปปวะสีมานี้ไม่รวมบ้านอุปจาระบ้านสําหรับในสมานสังวาสีมาและอวิปปวะสีมานี้สมานสังวาสีมาย่อมครอบถึงตามธรรมดาของตนส่วนอวิปปวะสีมาสมานสังวาสีมาอยู่ในเขตใดยอ่อมครอบถึงเขต น, นั้นจึงอยู่การกําหนดนิมิตของอวิปปวะสีมานั้นจะมีแผนกหนึ่งก็หาไม่ในสีมาสองชนิดนั้น ถ้าในเวลาสมมุติเอาวิปว่าสีมามีบ้านอยู่อวิปว่าสีมานั้นย่อมไม่ครอบถึงบ้านนั้นอันหนึ่งถ้าสมมุติสีมาแล้วบ้านจึงสร้างลงภายหลังแม้บ้านนั้นย่อมนับเป็นสีมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสร้างบ้านก่อนหรือว่าสร้างบ้านทีหลังไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เอาสีมาเฉพาะแคบๆในโบสถ์เท่านั้นแต่สมัยก่อนก็เอาทั้งวัดเลยแล้วก็วัดก็กว้างด้วยเพราะว่าสีมา ใหญ่สุดนี่ฉันบอกว่าไม่เกินสามโยชน์สามโยชน์ตั้งสี่งแปกิโลเมตรมันก็้างขวางเลยถ้าสมมุติเอาวิปวันศีมาก็เจ้าจีวรไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเอามาไว้ไใกล้ๆตัวบริเวณที่สมมุติอวิปวันศีมานี่ก็เป็นเขตที่ไม่อยู่ปราสาทไจจีวรเหมือนอย่างว่าบ้านที่ตั้งโงไายหลังย่อมนับว่าเป็นสีมาด้วยชันใดแม้ขอบเขตเห็น บ, บ้านที่ตั้งลงก่อน ขยายกว้างออกไปในภายหลังย่อมนับเป็นสีมาด้วยก็ฉ น, นั้นก็คือแม่ปั้งหลงก่อนแล้วขยายออกไปในภายหลังก็เป็นเขตบ้านไปด้วยแม้ถ่าในเวลาสมมุติสีมาเรือนทั้งหลายเขาทำไว้เสร็จแล้วทั้งมีความผูกใจว่าเราทั้งหลายจะเข้าไปอยู่แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่เข้าไปก็ดีชาวบ้านทิ้งบ้านเก่าพร้อมทั้งเดือนไปในที่อื่นเสียก็ดีบ้านนั้นไม่จัดเป็นบ้านเลย สีมาย่อมครอบถึงนี่หมายถึงอวิภว่าสีมานะแต่ถ้าแม้สกุลหนึ่งที่เข้าไปแล้วก็ดีที่ยังไม่ย้ายไปก็ดีมีอยู่บ้านนั้นคงเป็นบ้านสีมาย่อมไม่ครอบถึงอวิปวาสีมานี้ไม่รวมบ้านจากอุปสรรคบ้านในเรื่องการปลูกสีมานี้มีความสังเกตเพียงเท่านี้ส่วนความพิดารามีดังตอบเป็นนี้อันพิสูจน์ทั้งหลายผู้ประสงค์จะปลูกสีมานั้น พึงถามที่สุดทั้งหลายในวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันถึงเขตกาหนดสีมาแห่งวัดที่อยู่นั้นๆเว้นสีมนตริกเพื่อสีมาของวัดที่ผูกสีมาทั้งหลายเว้นอุปจาระเพื่อสีมาของวัดที่ไม่ได้ผูกสีมาทั้งหลายเสียถ้าเกิดผูกสีมาไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะผูกสีมาใหม่ก็ให้เว้นสีมันตริกแต่ถ้าเกิด วัดที่ยังไม่ได้ผูกสีมาเนี่ยว่าให้เว้นอุปจาระไว้เพื่อสีมาของวัดที่ยังไม่ได้ผูกถ้าก็ผูกสีมาไปแล้วก็ให้เว้นสีมันตริกไปสีมันตริกก็ขนาดหนึ่งสอบสมมตะนี่ว่าหนึ่งสอบุรันทีว่าหนึ่งคืบปัญจรีว่าสี่นิ้วก็ได้แต่เอาไว้กป้างๆก็ดีเว้นอุปจาระเพื่อสีมาของวัดที่ไม่ได้ผูกสีมาทั้งหลายซิยะ ก็คือถ้าวัดไหนที่เขาไม่ได้ผูกสีมาเขาให้เว้นห่างในอุปจาระหนึ่งอุปจาระหนึ่งก็ชั่วคอนดิตกเปรตุบาทหนึ่งจวบสมัยไม่เป็นที่ท่องเที่ยวไปของพิจตทั้งหลายผู้จาริกไปในทิศถ้าประสงค์จะปลูกสีมาในคามาเขตหนึ่งวัดที่อยู่เหล่าใดในคามาเขตนั้นผูกสีมาแล้วเพิ่งสรงข่าวแก่พิจตทั้งหลายในวัดเหล่านั้นว่าเราทั้งหลายจะปลูกสีมาในวันนี้ ท่านทั้งหลายอย่าออกจากเขตกำหนดสีมาของตนของตนวัดเหล่าใดในธรรมเขตนั้นไม่ได้ลูกสีมาพึงนิมนต์พิสุท์ทั้งหลายในวัดเหล่านั้นให้ประชุมรวมเป็นหมู่เดียวกันพึงนำฉันทะของพิสุทธ์ทั้งหลายผู้ควรแก่ฉันทะมาก็คือถ้าวัดนั้นปลูกสีมาแล้วก็ให้อยู่ในสีมาหัวตนอย่าออกจากสีมาเวลานั้นเวลานั้นเราจะผูกสีมาแต่ถ้าวัดไหนไม่ได้ผูกสีมาไว้ต้องมาเข้าหัตถบาร์หรือว่า ให้ฉันทะมาพระมหาสุมาถเถระกล่าวว่าถ้าปรารถนาจะ ก, กันธามะเขตแม้เรล่าอื่นไว้ภายในถีมาไซที่สูเหล่านายอยู่ในธามะเขตเหล่านั้นแม้ที่สู่เหล่านั้นต้องมาเมื่อไม่มาต้องนําฉันทะมาก็คือถ้าจะรวมทั้งธามะเขตนั้นต้องมาไม่มากา็ให้ฉันทะฝ่ า, ายพระมหาปทุมเถระกล่าวว่า ขื้นชื่อว่าคามาเขตต่างๆย่อมเป็นเช่นกับสีมาที่ผูกต่างกันฉันทะและปาริสุทธิ์ย่อมไม่มาจากคามาเขตนั้นๆก er ็ค no ือถ้าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยต้องมาแต่ถ้าคนละหมู่บ้านอันนี้ไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นสีมาเพราะว่าเป็นคามาสีมาก็แยกกันโดยเสร็จขาดไปแล้วัถ้าเป็นหมู่บ้านเดียวกันนั้นก็ต้องมาแต่ถ้าคนละหมู่บ้านก็ไม่ต้องมา แต่พิจูตทั้งหลายผู้อยู่ภายในนิมิตต้องมาแน่นอนถ้าเอานิมิตไปวางไว้ไกลขนาดไหนก็แล้วแต่พิจูตที่อยู่ในนิมิตทั้งหมดต้องมาเข้าหัตถบาตดังนี้แล้วกล่าวเสริมอีกว่าในเวลาสมมติสมานสังวาสกาัดสีมาการมาก็าตามไม่มาก็ตามของพิจูตเหล่านั้นย่อมควรแต่ในเวลาสมมุติอาวิปปวัสสีมาพิจูตทั้งหลายผู้อยู่ภายในนิมิตต้องมา เมื่อไม่มาต้องนําฉันทะมาอันนี้ก็ควรจะต้องพิจารณานะว่าถ้าในเวลาสมมติส ม, มานสังว่าสีมาการมากก็ตามไม่มากก็ตามความวิสุทธเหล่านั้นีย่ำควรเพราะอะไรถ้าไม่มาเข้าหัตถบาทนี้จะควรได้ยังไงแต่ในเวลาสมมุติเอาวิปาวันสีมาวิสุททั้งนั้นผู้อยู่ในนิ ม, มติตต้องมาเมื่อไม่มานี้ต้องนําฉันทะมา น, นี่ก็ให้พิจารณาแต่คนจริงแล้วควรจะต้องมาทั้งหมดอ่ะจะทําสังฆกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใน ขามาเขตเดียวกันก็เป็นขามาสีมานะถ้ายังไม่้ปลูกสีมาถ้าปลูกสีมาแล้วอยู่ในเขตตอนสีมาก็ต้องมาก็อธรริบายหมดก็แลเมื่อพิสูจ์ทั้งหลายประชุมกันแล้วฉันทะของพิงสูจผู้ควรแก่ฉันทะได้นํามาแล้วอย่างนั้นพึงตั้งอารามิกาบุรุษก็คือคนวัดและสามเณรเคืองๆก็คือโตโต้หน่อยเอาไว้ในทางเหล่านั้นและในที่ทั้งหลายมีท่าน้ําและประตูบ้านเป็นต้น เพื่อนําพิสุอาการทุ ก, กะมาเข้าหัตถบาลเร็วๆคือถะาพิสุเกิดจรมาจากไหนก็ไม่ทราบก็ให้มาเข้าหัตถบาลเพราะเดี๋ยวจะทำกรรมให้เสียและเพื่อกันไว้ภายนอกสีมาก็คือถ้าไม่มาเข้าหัตถบาลก็ต้องไปอยู่นอกสีมานั้นแล้วเพื่อให้ตีกลองสัญญาหรือว่าเป่าสังสัญญาแล้วผูกสีมาด้วยกรรมวาจาว่าสุมาตตเมผันเตสังโฆเป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในลำดับแห่งการกำหนดนิมิตในเวลาที่จบกรรมวาจานั่นเองกานนิมิตทั้งหลายไว้ในภายนอกสีมาย่อมอย่างลงไปในเบื้องล่างลึกถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดคีอก็ด้วยอำนาจของพุทธานุภาพสามารถที่จะทำสังกรรมแม้พระพิถุมีฤทธิ์จะดำบินลงไปทาสังกรรมก็ได้เพราะว่าเป็นเขตสีมา ถ้าทำกรรมไม่ได้อยู่ในเขตสีมานี้กรรมเน้นก็วิบัติเป็นสีมาวิบัติเพราะว่ามีพิกจุอยู่ในบริเวณนั้นกรรมก็ใช้ไม่ได้พิจุตทั้งหลายผู้จะสมมุติสมานสังวรส ก, กะสีมานี้ควรผูกขันท่าสีมาก่อนเพื่อทําสังกกรรมทั้งหลายมีบรรณาชาและอุปสมบทเป็นต้นได้สะดวกก็คือให้ผูกสีมาเย่อยๆสีมาเล็กๆภายในสีมาใหญ่ก็ได้ ก็แลเมื่อจะผูกขันธสีมานานต้องรู้จักวัดก็ถ้าจะผูกในวัดที่อยู่ที่ทายกสร้างให้ประดิษฐานวัตถุทั้งพวงมีต้นโพเจดีย์และหอฉันเป็นต้นเสร็จแล้วอย่าผูกตรงกลางวัดที่อยู่อันเป็นสถานที่ประชุมของชนมากพึงผูกในโอกาสอันสนัดที่สุดท้ายวัดที่อยู่ก็คืออย่าไปผูกในที่สาธารณชนทั้งหลายก็ว่ารโรโบสถ หรือว่าศีมาเอาไว้ทาสังฆกรรมควรจะต้องเป็นที่หลบหลีกจากผู้คนสักหน่อยหนึ่งไม่ไปเป็นที่สาธารณะผู้คนสัญจรไปสัญจรมาก็ไม่สะดวกก็ให้ไปอยู่ท้ายวัดเสียเมื่อจะผูกในวัดที่อยู่ที่ทา ย, ยกไม่ได้สร้างพึงกะที่ไว้สำหรับวัตถุทั้งปวงมีต้นโพและเจดีเป็นต้นไว้แล้วเมื่อประดิษฐานวัตถุทั้งหลายเสร็จแล้ว ขันธสีมาจะอยู่ในโอกาสอันสนัดสุดท้ายวัดที่อยู่ด้วยประการใดพึ่งผูกด้วยประการนั้นเถิดก็คือถ้าจะผูกสีมาก็ต้องกลับที่ไว้ก่อนว่ามีวัตถุเครื่องก่อสร้างอะไรทั้งหลายตึกรามเรนตางกุฏิที่จะสร้างใหม่หรือว่าสร้างไว้แล้วก็ไปทำท้ายวัดแต่ถ้ายังไม่สร้างก็ต้องดูว่าถ้าผูกสีมาไปแล้วเดี๋ยวสร้างสิ่งอื่นสีมาก็จะได้อยู่ท้ายวัดไม่เป็นที่สัญจรไปมาของคนทั่วไป คันธตมานั้นโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดถ้าจุภิกษุได้ยี่สิบเอ็ดรูปใช้ได้เล็กกว่านั้นใช้ไม่ได้ที่ใหญ่แม้จุภิจูจำนวนพันก็ใช้ได้เมื่อจะผูกขันธสีมานั้นพึงวาศิลาที่ควรเป็นนิมิตได้ไว้โดยรอบรงที่จะผูกศีมายายืนอยู่ในคันธตีมาผูกมหาศีมายายืนอยู่ในมหาศีมาผูกขันธสีมา แต่ต้องยืนอยู่เฉพาะในกันดสีมาผูกกันด้วยสีม า, มาและยืนอยู่ในมหาสีมาผูกมหาสีมาจะได้กลายเป็นสีมาสองชั้นนะในสมัยนี้ก็มีไม่กี่วันที่จะมีสีมาสองชั้นมีมหาสีมาอย่างนี้ในสีมาสองชนิดนั้นมีวิธีผูกต่างต่อไป น, นี้เพิ่งกําหนดนิมิตทั้งหลายโดยรอบอย่างนี้ว่าศีลานั่นเป็นนิมิตแล้วผูกสีมาด้วยกรรมวาิจา ลำ ด, ดับนั้นพึงทาําอวิปปวะสกัดกรรมวาจาร์ซ้ําลงเพื่อทําขันศีมานั้นแลให้มั่นคงคืออวิปปวะสกัดกรรมวาจาร์มีผลก็คือทําให้ไม่อยู่ปราจากไตรจีวรด้วยแล้วก็เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้อื่นมาถอนสีมาของเราง่ายๆด้วยถ้าถอนก็ไม่เป็นการถอนเพราะว่าเวลาะจะถอนนี่ต้องถอนอวิปปวะศีมาก่อนถึงจะถอนขันศีมาได้ แต่เวลาผูกก็ต้องผูกคันศีมาก่อนแล้วก็ผูกคือสด็จกระเอาพิ้วว่าสีมาที่หลังจิงอยู่เมื่อทําอย่างนั้นแล้วที่สุดทั้งหลายผู้มาด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจากถอนสีมาจากไม่อาจาถอนได้ครั้นสมมติสีมาแล้วพึงวางศีลาหมายศีมันตริกไว้ภายนอกสีมันตริกรก็หม่ถึงช่องว่างระหว่างสีมานั่นแหละสีมันตริกว่าโดยส่วนแค่ที่สุดประมาณศอกหนึ่งจึงควร ในกุรุนทีแก้ว่าประมาณคืบหนึ่งก็ควรในมหาปัจจุรีก็แก้ว่าแม้ประมาณสี่นิ้วก็ควรก็ถ้าวัดใหญ่ควรปูกขันสีมาไว้สองแห่งก็ได้สามแห่งก็ได้สีมากับโรงโบสถ์นี่ต่างกันสมัยนี้ก็เอาเป็นที่เดียวกันเลยถ้นสีมานี้จะทําสีมาเล็กไว้สักสองแห่งสามแห่งในสีมาใหญ่นี้ก็ได้ส่วนโรงโบสถ์ทาไว้ตังห์หาที่หนึ่งก็ได้ เมื่ออยู่ในสีมาแล้วเนี่ยโรโบสถดีอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้มีสีมาใหญ่ครอบอยู่โรโบสถดีอยู่ที่ไหนก็ได้จะบุตดกันว่าวิหารหลังใดหล้งหนึ่งเป็นโรโบสถ์ก็ใช้ทําสังฆกรรมได้ถ้าจะส่วนปฏเโมก็ไปทําในโรงโบสถ์แต่ถ้าจะบวชจะรับกระถินจะไปทําอยู่ในคันสีมาไหนก็ได้จะทําไว้สองแห่งสามแห่งหรือว่าเกินกว่า น, นั้นก็ได้คันสีมาเหล่านี้นน ทั้งสมมติขันทสีมาอย่างนั้นแล้วในเวลาจะสมมติมหาสีมาเพิ่งออกจากขันทสีมายืนอยู่ในมหาสีมากาหนดสีลาหมายสีมันตริกก็คือระหว่างของีมาใหญ่กับสีมาเล็กจะต้องกำหนดเขตต้องมีช่องว่างไม่ให้คาบเกี่ยวกันก็เดินวนไปโดยรอบลาดับนั้นพึงกาหนดนมิมิทั้งหลายที่เหลือแล้วอย่าละหัตถกัน พึ่สมมติสมานสังวาสกัดสีมาด้วยกรรมวาจาแล้วทำอวิปปวาสกรรมวาจาด้วยเพื่อทำสมานสังวาสกัดสีมานั้นให้มั่นคงจึงอยู่เมื่อทำอย่างนั้นแล้วพิจตุทั้งหลายผู้มาด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจักถอนสีมาจักไม่สามารถถอนได้แต่ถ้ากำหนดนิมิตขันธ์สีมาแล้วลำดับนั้นจึงกำหนดนิมิตที่สีมตริกแล้วกำหนดนิมิตแห่งมหาสีมา ทำเป็นลำดับไปนะว่าให้กำหนดนิมิตที่เป็นขันธสีมาก่อนแล้วก็กำหนดนิมิตที่เป็นสีมันตริกก็จะมีตรงกลางที่เป็นช่องว่างะาวางขันธสีมากับมหาสีมาแล้วก็ไปกำหนดนิมิตแทนขันธสีมารอบนอกคันกำหนดนิมิตในสามรฐานอย่างนี้แล้วปรารถนาจะผูกสีมาใดจะผูกสีมานั้นก่อนก็ควรจะผูกสีมาไหนก็ได้ก็คือขันธสีมาก่อนหรือว่ามหาสีมาก่อนก็ได้ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ควรผูกตั้งต้นขันนศีมาไปโดยในตามที่กล่าวแล้วคมจริงแล้วผูกอันไหนก็ได้แต่ว่าก็ทำจากขันสีมาไปก็ดีก็บรรดาสีมาทั้งหลายที่สมผูกอย่างนั้นที่สุดทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ในคันศีมาย่อมไม่ทำให้เสียกรรมของลาภิจุผู้ทำกรรมในมหาสีมาหรือผู้สถิตยอยู่ในมหาสีมาย่อมไม่ทาให้เสียกรรม ของลาวพิสุผู้ทำกรรมในขันธสีมาส่วนพิสุผู้อยู่ในสีมันตริกย่อมไม่ทำกรรมแม้แก่พิสุผู้อยู่ในขันธสีมาและมหาสีมาให้เสียอันหนึ่งพิสุผู้สถิตอยู่ในสีมนตริกย่อมทำให้เสียกรรมของหลาวพิสุผู้สถิตอยู่ในคามเขตกระทำกรรมจึงอยู่สีมันตริกย่อมจัดเป็นคาเมเขตสีมันตริกช่องว่างระหว่างขันธสีมากับมหาสีมาก็คือคาเมเคศนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมในคันนาสีมาก็ส่วนทำกรรมไปไม่เกี่ยวข้องกับพิสุที่อยู่ในสีมันตริกไม่เกี่ยวข้องกับพิสุที่อยู่ในมหาสีมาจะไปทำกรรมในมหาสีมาก็ได้พิสุที่อยู่ในคันนาสีมากไม่ได้ทำกรรมให้เสียแต่ว่าอยู่ในสีมันตริกก็ไม่ติดทำกรรมให้เสียแต่ถ้าพิสุที่อยู่ในคามาเขตในหมู่บ้านนั้นทำกรรมอะไรกันจะทำให้เสียกรรมอันนี้มาทำในคันนาสีมาก็จะปลอดภัยมากกว่า อันที่จริงธรรมดาสีมานั้นมิใช่ว่าเฉพาะสีมาซึ่งพิกษุสง์ผูกแล้วบนพื้นแผ่นดินอย่างเดียวเท่านั้นจึงจัดว่าเป็นอันผูกโดยที่แท้สีมาที่พิกษุสง์ผูกไว้บนศีราะดาสก็ดีในเรือนคือกุฎีในกุฎีที่เร้นก็ดีในปราสาทก็ดีบนยอดเขาก็ดีจัดว่าเป็นอันผูกแล้วเหมือนกันทั้งนั้นในสถานที่เหล่านั้นเมื่อพิกษุทั้งหลายจะผูกบนศีราะดาด อย่าสกัดรอยหรือขุดหลุมดังคลกบนหลังศิลาทำให้เป็นนิมิตควรวางศิลาที่ได้ขนาดเป็นนิมิตแล้วกําหนดให้เป็นนิมิตสมมติด้วยกรรมวาจาในเวลาจบกรรมวาราสีมาย่อมอย่างลงไปถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดศิลาที่เป็นนิมิตจะไม่คงอยู่ในที่เดิมเพราะฉะนั้นควรทำรอยให้ปรากฏเตรองหรือสกัดเจาะศิลาที่มุมทั้งสี่ หรือจารึกอกักษรอให้ว่าตรงนี้เป็นแดนกําหนดสีมาก็ได้เพราะว่านิมิตนั้ น, น, น, นจะหายไปหรือว่าถูกทาลายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทํากรรมตระหนึกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าควรจะจารึกหรือว่าวางศีดาไว้ตรงที่นิมิตนั้นหายไปจะจารึกเอาไว้ก็ได้ที่สุบางพวกฤาษีหยาจุดไปฟขึ้นเดียคิดว่าจักเผาสีมาเสียย่อมไม่แต่ศีดาสีมาหาไม่ไม่ คือทำลายสีมาไม่ได้สีมาจะทำลายไปเมื่อหมดพระพุทธศัจนะไปหรือว่าถอนเท่านั้นเองถอนสีมาสีมาจึงเป็นอันตรธานเมื่อจะผูกในเรือนคือกุฏิเล่าอยา ก, กำหนดฝาเป็นนิมิตควรวางศิลาเป็นนิมิตกะสถานที่ว่างพอจุพิสูตยี่สิบเอ็ดรูปไว้ข้างในแล้วสมมติสีมาเถิดร่วมในฝาเท่านั้นย่อมเป็นสีมา ถ้าในร่วมในฝาไม่มีที่ว่างพอจุที่ตุดได้ยี่สิบเอ็ดรูปควรวางศิลานิมิต ท, ที่หน้ามุกก็ได้แล้วสมมติมาถ้าแม้หน้ามุกนั้นไม่พอควรวางนิมิต ท, ทั้งหลายในที่ซึ่งน้ําตกจากภายนอกชายคาแล้วจึงสมมติสีมาก็ด้วยการสมมติสีมาอย่างนั้นเรือนคือกุฎีทั้งหมด เป็นอันตั้งอยู่ในสีมาแท้คือมีบริเวณจุพิจูได้ยี่สิบเอ็ดรูปในกุฎีนั้นเอานิมิตไปตั้งเอาไว้แล้วก็สรวจรรมวาจาแต่ถ้าเกิดไม่พอจะเลื่อนออกมาที่หน้าบุกก็ได้โดยเลื่อนศิลาที่เป็นนิมิตออกมานั่นแหละจะเอาเขตแค่นั้นก็ตั้งนิมิตให้จุได้พิจูยี่สิบเอ็ดรูปก็แล้วกันเมื่อจะผูกในกุฎีที่เร้นซึ่งมีฝาสี่ด้านเล่ายากกาหนดฝาเป็นนิมิต ควรกำหนดแต่ศิลาเท่านั้นเมื่อข้างในไม่มีที่ว่างควรวางนิมิตทั้งหลายไว้ที่หน้ามุกก็ได้เมื่อผูกอย่างนี้ย่อมเป็นสีมาทั้งภายในทั้งภายนอกกุดีที่เร้นขยายบริเวณออกมานอกกุดีที่เร้นโดยการเลื่อนนิมิตคือศิลานั่นแหละที่เป็นนิมิตออกมาแล้วก็สวดสมุติเมื่อจะผูกบนปราศาสตร์เล่าอยากกำหนดฝาเป็นนิมิต พึงวางศีลาทั้งหลายไว้ภายในแล้วสมมุติศีมาเถิดถ้าภายในประสาทไม่พอพึงวางศีลาทั้งหลายที่หน้ามุกแล้วสมมุติเถิดสีมาที่สมมติอย่างนี้ย่อมอยู่เฉพาะบนปราสาทเท่านั้นไม่ย่างลงไปถึงข้างล่างก็เป็นสีมาลอยฟ้าก็เรียกว่าอากาศสีมาเพราะว่าไม่ได้ย่างลงข้างล่างทํากรรมข้างบนประสาทนั้นปิกจุอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ทํากรรมให้เสีย แต่ถ้าประสาทที่ทำบนรอดที่ร้อยในเสามากต้นฝาชั้นล่างสูงขึ้นไปเนื่องเป็นอันเดียวกับไม้รอดทั้งหลายโดยประการที่มีร่วมในแห่งนี้มิตรทั้งหลายสีมาย่อมยันถึงภายใต้ถ้าเกิดฝาสูงขึ้นไปถึงเบื้องบนแล้วก็ทำบนไม้รอดในเสามากต้นเมื่อสวประกาศแล้วก็จะยังลงมาภายใต้ด้วย ส่วนสีมาที่ผูกบนพื้นประาสาทเสาเดียวถ้าบนปลายเสามีโอกาสพอจุพิสูจได้ยี่สิบเอ็ดรูปย่อมยัมถึงภายใต้ประาสาทเสาเดียวก็ได้แก่ประสาทโคนุษซึ่งมีเสาเดียวเหมือนกับดอกบัวแต่ว่าเสานั้น่ะใหญ่โตมากทำประสาทมหดานแล้วก็เสานั้นก็ใหญ่โตมากถ้าที่ปลายเสานั้นนะ่ะจุพิสูจได้ยี่สิเอ็ดรูปเมื่อใดก็สวดสมมติมาก็จะยังลงภายใต้ด้วย ถ้าวางศีดาทั้งหลายในที่เป็นต้นว่ากระดานเรียบอันยื่นออกไปจากฝาประสาทและผูกสีมาฝาประสาทย่อมอยู่ภายในสีมาส่วนการที่สีมานั้นจะย่างถึงภายใต้หรือไม่ย่างลงไปถึงทราบตามในที่กล่าวแล้วก็คือมีเสาหรือว่าทำบนรอดที่ร้อ้ในเสามากต้นฝาชั้นล่างสูญไปเนื่องไปอันเดียวกับไม้รอดทั้งหลายหรือเปล่า ถ้าสูนไปก็ยังลงภายใต้เมื่อจะ ก, กําหนดนิมิตภายใต้ประสาทเล่าอย่า ก, กําหนดฝาและเสาไม้เป็นนิมิตแต่จะ ก, กําหนดเสาทีลาซึ่งยึดฝาไว้ควรอยู่สีมาที่เำหนดอย่างนี้ย่อมมีเฉพาะร่วมในแห่งเสาริมโดยรอบของภายใต้ประสาทแต่ถ้าฝาภายใต้ประสาทเป็นของเนื่องถึงพื้นชั้นบนที่มาย่อมขึ้นไปถึงชั้นบนประสาทด้วย ถ้าทำนิมิตในที่ซึ่งน้ำตกจากชายคานอกประสาทปราสาททั้งหมดตั้งอยู่ในสีมาเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิมิตด้วยนะ้ํานิมิตอยู่บริเวณไหนสีมาก็ไปถึงบริเวณนั้นนั่นแหละนิมิตอยู่ภายนอกสีมาเวลาสมมติเรียบร้อยแล้วถ้าพื้นบนยอดเขาเป็นที่ควรแก่โอกาสพอจูบที่จูดได้ยี่สิบเอ็ดรูปผูกสีมาบนพื้นนั้นอย่างที่ผูกบนศิลาดาแม้ภายใต้ภูเขาสีมาย่อมอย่างลงไปถึง โดยกําหนดนั้นเหมือนกันแม้บทภูเขาที่มีสันฐานดังโคนต้นตาลเล่าสีมาที่ผูกไว้ข้างบนย่อมหยั่งลงไปถึงข้างล่างเหมือนกันส่วนภูเขาใดมีสันฐานดังดอกเห็ดข้างบนมีโอกาสพอจุกที่สุดได้ยี่สิบเอ็ดรูปข้างล่างไม่มีพอสีมาที่ผูกบนภูเขานั้นไม่หยั่งลงไปข้างล่างเพราะว่าบริเวณข้างล่างมีจุกที่สุดไดันไม่ถึงยี่สิบเอ็ดรูปด้วประการอย่างนี้ ภูเขามีสันฐานดังตักโพนหรือมีสันฐานดังบันดอกระตามทีข้างล่างหรือว่าตรงกลางแห่งภูเขาใดไม่มีพื้นที่เท่าตัวสีมาสีมาที่ผูกบนภูเขานั้นไม่หยั่งลงข้างล่างส่วนภูเขาใดมีสองยอดตั้งอยู่ใกล้กันบนยอดแม้อันหนึ่งไม่พอเป็นประมาณแห่งสีมาก็คือจุที่สูงยี่สิบเอ็ดรูปไม่ได้ควรก่อหรือถมตรงระหว่างยอดแห่งภูเขานั้นให้เต็ม ทาให้เนื่องเป็นพื้นเดียวกันแล้วจึงสมมติสีมาข้างบนภูเขาลูกหนึ่งคล้ายพังพานูเบื้องบนภูเขานั้นลูกสีมาได้พราะมีโอกาสได้ประมาณเป็นสีมาถ้าภายใต้ภูเขานั้นมีเงื้อมอากาศสีมาไม่หยางลงไปแต่ถ้าตรงกลางเงื้อมอากาศนั้นมีสิลาพโพรงเท่าขนาดสีมาสีมาย่อมหยางลงไปถึง และศิลานั้นเป็นของตั้งอยู่ในสีมาแท้ถ้าแม้ฝาแห่งที่เร้นภพยใต้ภูเขานั้นตั้งจดถึงส่วนยอดสีมาย่อมอย่างถึงทั้งข้างล่างทั้งข้างบนย่อมเป็นสีมาทั้งหมดแต่ถ้าด้านในที่เร้นในภายใต้อยู่ข้างนอกแนวแห่งแดนเป็นที่กําหนดสีมาที่อยู่ข้างบนสีมาไม่อย่างลง ไปถึงภายนอกแห่งที่เรนนั้นก็คือมีอากาศอยู่แถวนั้นหรือเปล่าถ้าข้างบนเป็นพื้นที่ทำสีมาได้แต่ว่าตรงกลางหรือว่าภายใต้เป็นอากาศช่องว่างก็ไม่ย่างลงแต่ถ้ามีต้อนหินแล้วมีขนาดที่สามารถทาทิมาได้เป็นทีมาด้วยย่างลงมาถึงด้วยถ้าแม้ด้านนอกที่เรนอยู่ข้างในแถวแห่งแดนเป็นที่กาหนดสีมาที่อยู่ข้างบนนั้น สีมาไม่ยังลงไปถึงในภายในแห่งที่เรนถ้าแม้ข้างบนภูเขานั้นมีโอกาสเป็นที่พอกาหนดสีมาเล็กก็คือจุกที่สุด21รูปได้ข้างใต้มีที่เรนใหญ่เกินโอกาสกาหนดสีมาสีมาย่อมมีเฉพาะข้างบนเท่านั้นไม่อย่างลงไปถึงภายใต้แต่ถ้าที่เรนเล็กขนาดเท่าสีมาขนาดเล็กที่สุดสีมาข้างบนใหญ่ สีมาที่ตั้งครอบที่เล้นไว้นั้นสีมาย่อมอย่างลงไปถึงถ้าที่เล้นเล็ดเกินไปไม่ได้ขนาดกับสีมาสีมาย่อมมีเฉพาะข้างบนเท่านั้นไม่ย่างลงภายใต้ถ้าภูเขามีสันฐานดังพังผ่านงูนั้นพังตกลงไปเองครึ่งหนึ่งแม้ถ้าได้ประมาณสีมาส่วนที่ตกลงไปภายนอกไม่เป็นสีมาส่วนที่ไม่ตกลงไปท่านได้ประมาณสีมายัางคงเป็นสีมา แต่ถ้าเล็กกว่าพิกตุนั่งได้ยี่ิเอ็รูปนี่ก็ไม่เป็นสีมาขันนักสีมาเป็นพื้นที่ลุ่มพูนถมขันนักสีมานั้นทาให้มีพื้นที่สูงขึ้นคงเป็นสีมาตามเดิมไปถมที่สีมานั้นก็ยังคงเป็นสีมาชนทั้งหลายทำเรือนในสีมาเรือนนั้นเป็นอันตั้งอยู่ในสีมาด้วยขุดสะะบขรรมีในสีมาสาบขรมีนั้นก็คงอยู่ในสีมาอยู่นั่นเอง ค่วงน้ำไหลท่วมมวลทวีมาไปจะผูกแคร่ทำสังกกรรมในย่านสีมาก็ควรแม่น้ำมีอยู่ในอุโมงอุโมงนาทีภายใต้สีมาภิสุผู้มีฤทธิ์นั่งอยู่ในอุโมงแม่น้ำนั้นถ้าแม่น้ำนั้นมีอยู่ก่อนสีมาผูกที่หลังภิสุนั้นไม่ยังทำให้เสียกพะว่าแม่น้ำนั้นมีอยู่ก่อนแม่น้ำนั้นไม่ได้จัดเป็นสีมาไปด้วย ถ้าปลูกสีมาก่อนแม่น้ําผ่านไปที่หลังทิศตุนั้นยังทาให้เสียเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นสีมาอันหนึ่งทิศตูผู้สถิตอยู่ณภายใต้พื้นแผ่นดินย่อมยังทาให้เสียเหมือนกันเกิดใครมีฤทธิ์แล้วก็ดําดินเข้าไปอยู่ภายใต้ที่เขาปลูกสีมาไว้ข้างบนตรงนั้นก็เป็นสีมาไปด้วยก็ทําทำกรรมให้เสียก็ต้นไทรมีอยู่ในลานขันนสีมา กิ่งแห่งต้นไซนั้นหรือย่านไซที่ยื่นออกจากต้นไซนั้นตั้งจดพื้นแผ่นดินแห่งมหาสีมาก็ดีจดต้นไม้เป็นต้นที่เกิดในมหาสีมานั้นก็ดีพึงชำระมหาสีมาให้หมดจดแล้วจึงทำกรรมหรือตัดกิ่งและย่านไซเหล่านั้นเสียกระทำให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้เทียงตุผู้ขึ้นไปบนกิ่งไม้เป็นต้นที่ไม่จดกันควรนำมาเข้าหัตถะบาด้วยประการอย่างนั้น กิ่งแห่งต้นไม้ที่เกิดในมหาสีมาก็ดีย่านไซก็ดีย่อมตั้งอยู่ในลานแห่งสีมาตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลเพึงอชำระสีมาให้หมดจดแล้วจึงทำกรรมหรือตัดกิ่งและย่านไซเหล่านั้นเสียกระทำให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้ตามในที่กล่าวแล้วนั่นแลหากว่าเมื่อสองกำลังทำกรรมในย่านสีมาที่ถูบางรูปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่ทอดอยู่บนอากาศยื่นเข้าไปในย่านสีมา เท้าของเธอถึงผ้าพื้นก็ดีสะบงจีวรของเธอถูกผ้าพื้นก็ดีไม่สมควรทำำํากรรมแต่ให้เธอยกเท้าทั้งสองและสะบงจีวรขึ้นเสร็จแล้วทํากรรมควรอยู่ไม่ทำกรรมไม่เสียจะได้เกิดมาถูกพื้นเมื่อไหร่ควรจะต้องมาเข้าหัาตถบ่าไม่งั้นก็ต้องยกเท้าขึ้นยกจีวรขึ้นอันลักษณะ น, นี้บัญญิตึงทราบแม้ตามในก่อนส่วนเนื้อความที่แปลกันมีดังต่อไปนี้ ให้เธอยกขึ้นแล้วทำกรรมในขำนสีมานั้นไม่ควรต้องนำมาเข้าหัตถบาตแท้ถ้าภูเขาซึ่งตั้งอยู่ภายในสีมาสูงตรงขึ้นไปทิศสูผู้สถิตอยู่บนภูเขานั้นต้องนำมาเข้าหัตถบาตแม้ในทิศสูผู้เข้าไปข้างในภูเขานัิ์ก็มีในนี้เหมือนกันแท้จริงสีมาที่สงผูกเท่านั้นไม่ครอบถึงขอบเขตที่ไม่ได้ประมาณ วัตถุไม่เลือกว่าชนิดใดที่เกิดในพัตสีมาถึงการเข้าด้วยความเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกันในที่ใดที่หนึ่งย่อมนับว่าเป็นสีมาทั้งนั้นก็พิษุผู้จะสมมุติสีมามีสามยอเป็นอย่างยิ่งต้องสถิตยอยู่ตรงกลางสมมุติให้มีโยอดกึ่งในทิศทั้งสี่คือวัดจากที่ซึ่งตนสถิตนั้นออกไปนะนี่นะยอดกึ่งนี้ก็ M, ยี่สิบสี่กิโลเมตรเพราะว่าสามโยศสามโยศก็สี่สิบแปดกิโลเมตรแต่ถ้าสถิตยอยู่ตรงกลางแล้ววัดออกไปทิศละสามโยศย่อมรวมเป็นหกโยศเช่นนี้ใช้ไม่ได้ทีต่ตุดจะสมมุติสีมาสี่เหลี่ยมเท่ากันถือว่าสามเหลี่ยมพึงสมมติให้วัดจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่งได้ระยะสามโยศก็ถ้าให้ที่สุดรอบแห่งใดแห่งหนึ่งเกินสามโยศไปแม้เพียงปลายเช่นผมเดียวต้องอบัต ด, ด้วย ทั้งสีมาก็ไม่เป็นสีมาด้วยวก็คือสีมาวิบัติใหญ่เกินไปทิสุไม่พึงสมมติสีมาครอมแม่น้ำเพราะมีพระบาลีว่าดูการท่สุดทั้งหลายทิสุไม่พึงสมมุติสีมาคร่อมแม่น้ำรูปใดสมมตุติรูปนั้นป้องอาบัตทุกกฎ ด, ดังนี้แต่ในแม่น้ำใดมีเรือประจำหรือว่าสะพานถาวรที่ถ้าตรงกันนั่นเองจะสมมุติสีมาคร่อมแม่น้ำเห็นปานนั้นก็ควร เพราะมีพุท ธ, ธานุญาตเลยว่าดูความพิสุดทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติมาครอมแม่น้ำที่มีเรือจอดประจำหรือมีสะพานถาวรดังนี้ถ้าเรือประจำก็ดีสะพานถาวรก็ดีไม่มีอยู่ที่ท่าตรงกันขึ้นไปข้างบนหรือลงไปข้างล่างหน่อยหนึ่งจึงมีแม้อย่างนั้นก็ควรแต่พระการวิสกติสัทธิระกล่าวไว้ว่า แม้ในระยะเพียงคางวัดหนึ่งมีเรือประจําหรือสะพานทาวรก็ควรทาวุดหนึ่งก็ต้อง4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นจะทําสีมาคข่อมแม่น้ํานี่ก็ต้องมีเรือประจําหรือว่าสะพานทาวร อ, อยู่เขาเรียกวัานาที่ปารศีมาถ้าไม่มีเรือประจําไม่มีสะพานทาวรก็ไม่ควรที่จะไปทําสีมาตรงนั้นเพราะว่าถ้าทำแล้วก็มีอบัตบอบัตบทุกกฎ ก็แลเมื่อพิสูจน์จากสมมตินาทีปาราสีมานี้พึงยืนที่ฝั่งหนึ่งกําหนดนิมิตที่ฝั่งแม่น้ําทางเหนือน้ําแล้ววนไปรอบตัวตั้งแต่นิมิตนั้นพึงกําหนดนิมิตที่ฝั่งแม่น้ําทางใต้น้ําในที่สุดแห่งแดนกําหนดเท่าที่ต้องการแล้วกําหนดนิมิตที่ฝั่งแม่น้ํำในที่ซึ่งตรงข้ามกับฝั่งโน้นตั้งแต่นั้นไปพึงกําหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตที่ฝั่งแม่น้ํา ซึ่งตรงกับนิมิต ท, ที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่งทางเหนือน้าด้วยอํานาจแดนกำหนดเท่าที่ต้องการแล้วกลับมาเชื่อมกับนิมิต ท, ที่กำหนดไว้นิมิตแรกลำดับนั้นพึงให้พิสุทั้งหลายซึ่งสถิตยอยู่ภายในนิมิต ท, ทั้งปวงเข้าหัตถบาทแล้วสมมติสีมาด้วยกรรมวาจาพิสุผู้สถิตยอยู่ในแม่น้าแม้ไม่มาก็ไม่ทาให้เสียกรรมในขณะที่สมมติด เว้นแม่น้ำเสียร่วมในแห่งนิมิตทั้งหลายย่อมเป็นสีมาอันเดียวกันทั้งฝั่งนอกและฝั่งในส่วนแม่น้ำไม่นับว่าเป็นพระต๊สีมาเพราะว่าแม่น้ำนั้นเป็นนทีสีมาแผนกหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะสมมติสีมาที่เป็นนาทีปาราศีมาหมายถึงว่าคล่อมแม่น้ำมีบริเวณของสีมาสองฝั่งแม่น้ำเลยก็ต้องกําหนดนิมิตอย่างน้อยก็ต้องเท่าไหร่ะแปดจุด กำลังมีมิตรตั้งแปดจุดฝั่งข้างนี้สี่จุดอีกฝั่งหนึ่งก็สี่จุดเป็นแปดจุด น, นี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าบริเวณเขาจากัดแล้วเกิดมีคนก็ถวายที่มานุ้นคล่อมแม่น้ํำก็ต้องปลูกที่มา่านแบบนี้แต่ว่าแม่น้ํานั้นเป็นนาทีสีมาตางหาถ้าเราที่ทํากรรมกันใครที่อยู่ในแม่น้ํานั้นก็ไม่ทํากรรมให้เสียหากว่าภายในแม่น้ํามีเกาะ ปราถนาจะทำเกาะนั้นไว้ภายในปีมาพึงกำหนดนิมิตทั้งหลายที่ฝั่งซึ่งตนสถิดอยู่ตามในก่อนนั่นแลแล้วกำหนดนิมิตที่ท้ายเกาะทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นลำดับนั้นพึงกำหนดนิมิตที่ฝั่งโน้นในที่ซึ่งตรงกันข้ามกับนิมิตที่ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำตั้งแต่นั้นไปก็กำหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตที่ตรงกับนิมิตที่กำหนดไว้ก่อนทางเหนือน้ำตามในก่อนนั่นแล ลำดับ น, นั้นจนกำหนดนิมิต ท, ที่ท้ายเกาะทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้แล้วกลับมาเชื่อมกับนิมิต ท, ที่กำหนดไ้ก่อนลำดับนั้นพึงให้ที่สุทั้งหลายที่ฝั่งทั้งสองและที่เกาะเข้าหัตถบาทกันทั้งหมดแล้วสมมติสีมาด้วยกรรมวาจาที่สุผู้สถิตอยู่ในแม่น้ำแม้ไม่มาก็ไม่ทำให้เสียกรรมในขณะที่สมมุติเสร็จเว้นแม่น้ำเสียร่วมในแห่งนิมิต ท, ทั้งหลายทั้งสองฝั่งแม่น้ำและทั้งเกาะ ย่อป็นสีมาอันเดียวกันส่วนแม่น้ําคงเป็นนักทีสีมาถ้าเกิดมีเกาะอยู่กลางแม่น้ําแล้วก็จะให้เป็นสีมาด้วยก็ต้องไปกําหนดนิมิตที่เกาะนั้นด้วยก็แล้ถ้าเกาะยาวเกินกว่าแดนกําหนดวิหารสีมาที่อยู่ไปทางเหนือน้ำหรือว่าทางใต้น้ําเมื่อเป็นเช่นนั้นพึงกําหนดนิมิตท้ายเกาะฝั่งในซึ่งตรงกันกันกบนิมิตแผ่นแดนกําหนดสีมาแห่งวิหารตั้งแต่นั้นไปเมื่อจะโอบรอบหัวเกาะ ต้องกำหนดนิมิตท้ายเกาะฝั่งนอกซึ่งตรงกันข้ามตามนิมิตท้ายเกาะฝั่งในอีกต่อจากนั้นไปพึงเริ่มต้นแต่นิมิตที่ตรงกันข้ามที่ฝั่งโน้นกำหนดนิมิตที่ฝั่งโน้นและนิมิตท้ายเกาะทั้งฝั่งนอกและฝั่งในเสร็จตามในก่อนนั่นแลแล้วจึงทําการเชื่อมกับนิมิตที่กําหนดไว้ก่อนสีมาที่กําหนดนิมิตสมมุติอย่างนี้ย่อมมีสันฐานดังภูเขา ก็คือไปทําบริเวณไว้อะที่เกาะ น, นั้นด้วยจะกําหนดเขตสีมาแค่ไหนที่เกาะ น, นั้นตั้งนิมิตไว้ก็แล้วกันให้สามารถเชื่อมกันได้ทั้งฝั่งในฝั่งนอกแล้วก็ที่เกาะกลางแม่น้ําแต่ถ้าเกาะยาวเกินกว่าแดนกําหนดวิหารสีมาทั้งเหนือน้ําทั้งใต้น้ำํำใสเมื่อกําหนดนิมิตโอบรอบหัวเกาะทั้งสองตามในกาะ น, นั่นแหละแล้วจึงทําการเชื่อมนิมิต สีมาที่กําหนดสมมติอย่างนี้ย่อมมีสันฐานดังตัดโทนถ้าเป็นเกาะเล็กอยู่ภายในแห่งแดงกนกําหนดวิหารสีมาพึงกําหนดนิมิตทั้งหลายที่เกาะตามในแรกแห่งในทั้งปวงสีมาที่กำหนดสมมติอย่างนั้นย่อมมีสันฐานดังบันดากพึงทราบการผูกสีมาด้วยประการฉนี้ก่อนต่อไปเกิดเรื่องการถอนสีมาซึ่งข้าจำไว้ต่อในวันรุ่งขึ้น วันนี้ก็หมดเวลาขอ่อยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ศึกษาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำสร้าง ส, สาทยายได้ด้วยก็ดีน้อมนำมาประพฤติเป็นแบบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเพื่อความพ้นจากภัยพ้นจากทุกข์ก็คือการเกิดการแสการเจ็บการตายขอ่อยท่านทั้งหลายมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาในการอบรมบ่มไตรสิกขาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อบรรลุธรรมโดยทั่วกันเทินสาธุ หนธุงหนึ